เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายจะ่ลงปโพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องสังโยชน์ในข้อต่อไปก็ได้พูดถึงสังโยชน์มาห้าข้อเขาเรียกว่าโอรัมภิกยาสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่าก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นโมหะเป็นราคะเป็นโลภะเป็นโทสะเหมือนเดิม อย่างแต่ว่ามันเป็นความเข้มข้นที่ลดน้อยลงกว่าปกติคือเราไม่เค่อยพูดกันโดยทั่วไปนะฮะเราสังเกตว่าคำว่าสักยะทิฏฐิก็ดีวิจิกิจฉาก็ดีศีลรพัตปบรามาก็ดีนี่ยเราไม่คยพูดกันในที่โดยทั่วไปเพราะว่ามันเป็นกิเลส ท, ที่ค่อนข้างละเอียดเราผู้ส่วนใหญ่ก็ต้องๆไปเลยนะฮะโกรธโลกโหลงรักพระโลภะโทสะโมหะนี่จะหนัก อริสยาอิจาริสยาเนี่ยอิสาริสยาเนี่ยก็จะพูดกันมากทั้งหมดมันเป็นอาการทีนี้เวลาเวลาเรียงอย่างที่พระอริยบุคคลระดับต่างๆทันละได้เนี่ยที่เราพูดมาห้าข้อเนี่ยคือพระอริยบุคคลสามประเภทแรกเนี่ยทันละได้ปโสรดาบันละ สักยะทิฏฐิคือความเห็นเป็นเอตือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนพระแล้วก็วิจิกิจฉาคือความคลุกคลังสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตแล้วในกฎของปัจจยกาลตรงนี้ท่านฟังจะเห็นว่าที่จริงก็คืออาการของอวิชชาแล้วก็ศีลปัตรามาการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่มายุติด้วยเหตุผลและความดีมีประการต่างๆ พระโสดาบันนั้นละได้พอไปถึงพระสักระคารมีก็าลาสามอย่างเนี้ยแต่ว่าราคาโลภะราคาโทสะโมหะเนี่ยมันลดลงกว่าเดิมลดลงกว่าในสมัยที่เป็นพระโสดาบันพอมาถึงพระาคามีกุาลาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งกิเลสประเภทโลภะนี่ทั้งกิเลสประเภทโทสะแต่ว่าไม่แรงเป็นอาการที่ปรากฏต่อจิตทําปฏิกิริยากับจิต จะก่อให้เกิดความ ร, าร้อนชัดายพอสมควรแต่ไม่แรงแล้วฮะเพราะว่าท่านมีพลังของศีลสมาธิปัญญามากพอที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นได้มาถึงจุดต่อไปก็คือต่อไปเป็นเรื่องพระอรหันต์ละได้นะฮะละได้เด็ดขาดทีนีเ้เวลาเรียงลำดับอย่างนี้เราก็อธิบายอีกระดับหนึ่ง เขเรียกว่ารู ป, ปราคาอรู ป, ปราคะรู ป, ปราคาก็คือความกำหนัดความพอใจความติดใจโดยเนื้อหาสาระจริงๆนะถ้าเขามาโดยลําพังไม่มาเรียงลําดับกันอย่างนี้ก็คือความพอใจติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณนั่นเองแต่ว่าพอดีตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดเราพูดถึงสิ่งที่ประหารทานละได้ อย่างนี้พระหานันละได้เป็นนานแล้วนะหรือว่าไอ้รู ป, ป ร, ราคาเนี่ที่จริงมันละได้ที่พระราคามีแล้วก็คือกรามรมาคะนั่นเองสิ่งที่พระราคามีกำหนดไม่ใช่สิ่งที่บุคคลรู้ไปกำหนดก็คือรูปเสียงกินิรสปุตระภาตอนรูปรูปเสียงกินิรสปุตตะภาเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นรูป สิ่งอะไรก็ตามที่เราสัมผัสได้ตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นตัวกต้อง ด, ด้วยกายสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่ารูปอะไรที่เรารู้ด้วยใจมีความเข้าใจมีความสนใจมีความพอใจติดใจนะฮะชอบใจไม่ชอบใจอะไรแต่อะไรนี่พรานี้เป็นอาการของนามเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเรื่องของรูปกับนามท่านจริงเป็นเน้นที่รูปฌานนะฮะคือรูปประฌานเนี่ยที่จริงมันอะไรล่ะ คล้ายๆกับคนจบปริญญตรีนะฮะเออสำหรับเด็กม .6 มันก็น่าไฟฝันแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการคือจบแล้วเนี่ยมันปรารถนาไปอย่าโทแล้วมันไม่ต้องการแค่ปริญญาตรีเนี่ยเัรามันดีระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงถึงอีกระดับหนึ่งนี่มันกลายเป็นอุปสรรค นะอย่างกคนกบางบานคนเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่มหาวาิทยาลัยรัมจนแล้วเราะก็แหงเนี่ยบางทีในเยอะเลยนะฮะเยอะเยอะสามสิบกว่าเองเรียนเด็กนั้นเพราะอะไรเพราะพอใจติดใจในความเป็นนักศึกษาเป็นยาตรีมันมีอะไรล่ะศูนย์วิจติตอะไรอะไรเขาเขาเขาทำเขากันเยอะเหมือนกันนะี่ยนะฮะมีกิจกรรมต่างๆมีเงินมีอำนาจมีทิพนอะ่ามีความขัดแย้งกับอะไรอะไรต่างๆก็เยอะเลย พวกเหล่านี้ก็ชอบอยู่อย่างนี้นมันก็ดีสำหรับเขาอะนะเขาว่าดีแต่ทีนี้คนบางคนที่เขาจบไปเลยเนี่ยเขาต้องการนะอนาเพราที่ไกลกวนะ่านั้นเขาต้องการความสำเร็จในชีวิตที่ไกลกวนะ่านั้นก็นะลุยไปเลยจนถึงปลายเอกไปเพราะใ น, นรู ป, ป ร, ราคารู ป, ป ร, ราคะในความหมายของความเป็นรูปประชานกับรรูปประชานเนี่ย มันก็เป็นมุมมองของคนที่สติปัญญาไม่ท่าไม่เทัดเทียมกันคราวนี้ถ้าเรามองย้อนไปในสมัยที่พระเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรู้นะฮะทรงบรรลนะุรูปปัจจานรูปปัจจาในสํนานักของ阿拉ดาบทกาลามโคตรอุตกรดาบทรามาบุตรพูดง่ายว่าบรรลุสมาจะบัดเจ็ดเนี่ยในสํนานักของ阿拉阿拉ดาบทกาลามโคตรแล้วก็บรรลุสมาบัดแปดเนี่ยในสํนานักของอุตกรดาบทรามาบุตร เพราะฉะนั้นท่านดาบดทั้งสองในท่านพอใจท่านติดใจท่านชื่นชมตอบผลเหล่า น, นั้นมากแล้วก็ต้องก็ถือว่ามันสุดยอดแล้วท่านก็เป็นสุดยอดคนแล้วท่านบรรลุผลสูงสุดแล้วท่านเข้าถึงนิพพานแล้วเพราะงั้นก็ไม่ควนขวายแล้วเออถามว่าดีไหมมันปัญหาว่าเทียบกับใครล่ะนะแต่เทียบกับคนระดับศีลห้าในท่านก็ดีกว่าเยอะนะ เทียบระดับสินแปท่านก็ดีกว่าเทียบระดับคนที่เข้าถึงกุศลกับบทสิบที่ไม่สมบูรณ์นะฮะนั่นก็ดีกว่าแต่ว่าพอไปเทียบกับรพระอรหันต์พระยะบุคคลเนี่ยมันเสี่ยงนะฮะพวกพว ก, พวกชานจริงยังเสี่ยงอยู่โอ ก, กาสที่ท่านจะตกนรกพระพรหมตกนรกได้นะฮะพระพรหมนี่ตกนรกได้เพราะว่ายังมีบา ป, ประกรรมที่ยังไม่ได้ชดใช้ท่านยังไม่ได้สนองผลแก่ท่าน เพราะงั้นพระอาหารหันนี่ท่านจิงละผู้เหล่านี้เพราะว่าจริงๆมันมันอย่างติดภพนะพระอหันก็ต้องดับภพบนะแล้วก็ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งฮะทาให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าพระอาหารหันนั้นไม่มีชาติไม่มีภพใหม่เพราะอะไรเพราะว่าท่านละกิเลสเป็นเหตุให้บังเกิดในภพที่มันเป็นนิจ ค, คือคือรูปประหลาดในบังเกิดเป็นพรหมนะฮะรูปประหลาดในบังเกิดเป็นรูปประพรหม ในส่วนการมราคะก็บังเกิดในสวรรค์ช่างกาเมลจรภูมิถ้ามันไม่แรงเกินไปนะฮะก็สามารถบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้แต่ว่าท่านท่านก็ล้าหมดมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปเกิดในภพชาติต่างๆอีกต่อไปแล้วก็ต่อไปนั้นก็เป็นกิเลส ท, ที่เรียกว่ามันมีความประนีตขึ้นเป็นกิเลสนะฮะแต่ว่า ความหยาบเนี่ยมันลดลงคือลดความหยาบลงไปก็ทำให้เป็นอาการของกิเลสประเภทที่เราเรียกว่ามานะมานะนั่นเป็นความถือตัวทีนี้มานะที่ถือตัวแรงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นการถือตัวแล้วก็ไปดูถูกบุปผินบุคคลอื่นลกลีนข่มท่านนะมันก็จะมีอาการกระจายออกไปเป็น มานะถล า, ามานะเก้านะฮะเป็นมานะเก้าประการคือเราอาจจะเลิศ ก, กว่าเขาในเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วก็ไปเกิดถือตัวขึ้นมาถือตัวมันเป็นรู้สึกเป็นอหังการนะฮะเป็นอังการแล้วก็ไปดูหมิ่นคนอื่นเออทำให้อาจจะยกตนข่มท่านว่าเราเนี่ยสูงกว่าคนอื่นหรือว่าเราเสมอคนอื่นหรือเราเรวกว่าคนอื่นก็แล้วแต่ นี่ก็กลายเป็นมานะในกรณีที่เราเลิศ ก, กว่าคนอื่นทีนี้บางทีเนี่ยเราก็อาจจะเสมอกับเขาแต่ก็ไปคิดว่าเราเลิศ ก, กว่าคนอื่นเราเลิศ ก, กว่าคนอื่นหรือเราเสมอคนอื่นหรือว่าเราเลวกว่าคนอื่นและนี่ก็เป็นอาการที่เราเรียกว่าเป็นมานะอีกระดับหนึ่ง ท, ทีนี้อีกระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเราเนี่ยก็ต่ำกว่าเขานะฮะ ได้โดยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้มันก็ซับเติมตัวเองก็ดูหมิ่นตัวเองเรานั้นก็เร็วกว่าคนอื่นเราไม่ใช่เรานั้นเลวกว่าคนอื่นเรานั้นเสมอคนอื่นเรานั้นเร็วกว่าคนอื่นลักษณะเขามานะจึงมีการถือตัวถือตัวเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นนะฮะเช่นสมมติเราเป็นพระเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นโน้นแล้วก็ใหญ่ตัวอบางทีก็ ก็เล่นละครนะยศรถยศช้างคุณนางพระคือคือมันมันทํำยังไงล่ะถ้าเราเป็นสํานึกในส่วนตัวเราเราตอนนี้เราเป็นราชาคณะนะเป็นผู้ใหญ่นะนะในสัญญาบัตรเนี่ยส่งใช้คําว่าสถิตนะนะหรือใช้สถิตเนี่ยมั น, ม, นมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเคยชั้นเทพขึ้นไปเนี่ยมันใช้คําว่าสถิตสถิตนะวัดนั้นวัดนี้อะไรแต่ไหนะ มันก็เกิดสํานึกแล้วพยายามปฏิบัติตัวใ้เหมาะสมแก่สถานะภาพที่เราเป็นไออย่างนี้ดีมันก็เรียกบาสมาณะสัญญาแต่มันเพิ่มจิตสํานึกที่ดีงามขึ้นมาสมัยเราเป็นพระธรรมดาเนี่ยอาจจะทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้แต่พอต่อมาเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องสําูรว์ระวังมากยิ่งขึ้นประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะภาพความรถมากยิ่งขึ้นตรงนี้ รายเป็นสำนึกที่ดีงามแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของตัวเองแต่เวลามองคนอื่นเนี่ยเราต้องมองในทางเสมอภาคในทองในทางเสมอกันนะเป็นเพื่อนสปันจารีเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่เขาจะยกย่องกราบไหวอะไรอะไรเป็นเรื่องของเขานะแต่เราเองนั่ยเย่าอย่าให้รู้สึกกระด้างอย่าย้สึกว่ารูบินคนอื่นอนี่ยรู้สึกว่าตีเสมออย่ารู้สึกว่า เราเหนือกว่าคนอื่นซึ่งต้องทำตัวเยอะเราลองสังเกตว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ใช่คนไปอ่ะมันผิดปกติธรรมดาไปแต่ที่จริงถ้าเราประเให้เบามันก็เบาได้นะฮะโผกยศปกลสักเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันยศช้างกุนนางพระเฉยๆแต่ว่าบทจะแสดงก็แสดงให้ได้บทจะแสดงเนี่ยก็แสดงให้ได้ อย่งอางอาตมาเองยังยง ง, ง, งตัวเองอยูน่นะะมันเคยไปปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชวรรคพิธิเนี่ยสองครั้งคือถ้าไม่ได้สั่งจงมาหรอกแต่มันสั่งต่อกันมาก็เลยก็คราวหนึ่งมัเป็นขบวนเลยนะฮะไปถึงเมืองชนมหนบวนมีรถนำมีรถตามนะฮะรถขบวนสังฆราชก็มายอมให้เลก เราแทนที่จะรู้สึกภูมิใจในเหงื่อแตกเลยรู้สึกสงสารชาวบ้านนะที่เขาต้องหลีกรถเราก็าต้องชะลออยู่ข้างถนนเนี่ยรู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงวเออนี่ถ้าโยมก็บางคนก็ป่วยละ่ะถ้าผู้หญิงท้องแก่กําลังจะคลอดละ่นะละถ้าคนป่วยหนักกําลังขาดเวลาไปสักสามนาทีเนี่ยจะถึงโรงพยาบาลแล้วก็เราหยุดชะลอรถเราเนี่ยทํำยังไงแล้วก็เกิดคิดขึ้ขนมาว่า อ, อีมันอย่างนี้มันดีเหรอ แล้วจนทุกวันเนี่ยรู้สึกแหนงใจที่จะไปนั่งรถในขบวนต่างๆเนี่ยรู้สึกละอายว่ามันน่าจะไปด้วยการหน้าร่วมทุกร่วมสุการรถติดก็ติดได้แก่รถเดินได้ก็เดินได้แก่มันก็กลายเป็นความคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วคราวหนึ่งก็ไปเป็นประธานจุดสุกร์แทนร่วมเดินประชันกราชเหมือนกันคือเขา ก็ทูลไว้นะฮะสังรับบรา บ, บพิษเนะี่ยแล้วพอดีท่านท้ามีปัญหาอะไรเหมือนท่านก็โทรมาท่านให้คนโทรมาก็บอกก็พอดีก็ามาก็ถูกนิมนต์ขึ้นมาให้ทหนาทีแต่เราก็เขินเนะี่ยเราก็เขินตอนนั้นเป็นประโสมลกนอภรณ์ในยังเป็นเด็กอายุสี่สิบกว่ า, ก, วาก็ไม่เด็กท่าไรเราแต่ว่าจริงๆเราสมมาปราจกนาเนะก็ถือว่าเป็นเด็กเราก็เขิน แต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นบทบาทที่ต้องแสดงไงต้องเล่นบทตรงเนี้ยเขาก็ให้เล่นบทตรงนี้มันก็ทำให้ดีที่สุดและวในศาสใดที่เราเรายังเป็นมนุษย์เนี่ยมันเคลื่อนไหวไปตามจังหวะตามกฎเกณฑ์ต่างๆภายในสังคมในสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นหัดเทศเนะหัดเทศ เทศเดียวเทศคู่แล้วก็เทศในงานใหญ่คราวหนึ่งในงานมันถือว่าใหญ่นะเราเป็นพระบวชสามสองวันษาเท่านั้นเองมีผู้ว่ามีเจ้าคณะ จ, จังหวัดมานั่งฟังอยู่ด้วยมันสยองมากเลยแล้วก็ไปปรึกษา อ, อาจารย์บอกนี่ทํำยังไงอ่ะผมจะเทศไหวเลยขึ้นไปดันมาขึ้นไปคุณเมื่อขึ้นไปถึงตรงนั้นคุณต้องถือว่าทุกคนต้องฟังคุณ อย่าไปวิตกกังวลอย่าไปมองใครมีหน้าที่คุณคุณรับรับผิดชอบตรงนี้ได้ขึ้นไปแล้วก็ลงมาให้เรียบร้อยเราก็เชื่อถือตามท่านเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเป็นหลักมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยท่านสั่งท่านสั่งสั่งก็ค่อข้างดุด้วยนะฮะเพื่อจะให้เราเกิดเชื่อมั่นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ท่านสั่งคราวเดียวเราก็ทําได้ทําได้มาตลอดชีวิตแล้วก็จนจนทุกวันเนี่ยนะเกิดตั้งตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยไม่สั่นอะไรใครจะฟังก็ฟัง เราถือว่าเราขึ้นธรรมารแล้วก็ทุกผลต้องคลางเราอ่ะใครจะนั่งอยู่ก็นั่งไปเราไม่ได้ไปติดใจอะไรถ้าไปคิดมากแล้วมันก็สั่นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือมันไม่เกิดมานะแต่มันกลายเป็นอาการที่สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งก็ไม่ดีเหมือนกันแต่นี่ถ้ามานะเนี่ยมันฟูมากเกินไปจนขาดสํานึกเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันมานะมันมีอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกอาทิมานะ อาทิตมาน้านี่มันมันเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดเช่นสมมติว่าพระเนี่ยบางทีท่านปฏิบัติกับมาตฐานกิเลสมันส ง, งบเนี่ยกิเลสบันทีมันหายไปเลยอ่ะมันเหมือนกับบรรลุแล้วพอดีท่านไม่มีแรงอะไรมากระแทกให้กิเลสมันฟูกิเลสมันส ง, งบมันตกตะกอนอยู่ลึกนะฮะไม่ขึ้นมาท่านก็เจริญสมาธิเจริญฌานอะก็ไม่เห็นกิเลส แล้วอาจจะเข้าใจว่ากิเลสเนี่ยมันมันหมดแล้วท่านบรรลมุมพระพุไปแล้วอาจจะแสดงอะไรแต่ไม่อะไรออกไปแต่ว่าถือว่าทั้งหมดนั้นไม่เป็นความผิดเพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงการเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแล้วก็บอกไปตามที่ตนเข้าใจเพราะการปฏิญาณคําพูดของมนุษย์เราเนี่ยเราก็ไม่ได้ถือเคร่งครัดอะไรนักหนา เพียงแต่ว่าเราพูดไปตามที่เราเห็นเราพูดไปตามที่เราได้ยินพูดไปตามที่เราได้ทราบพูดไปตามที่เราได้รู้มาผิดหรือถูกนี่เราไม่รู้หรอกแต่ที่เราเห็นอย่างนั้นจริงๆเราได้ยินมาอย่างนั้นจริงๆเราได้ทราบมาอย่างนั้นจริงๆเรารู้มาอย่างนั้นจริงๆเราก็พูดไปตามนั้นนั้นก็เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่มีมานะแต่ว่าใช้มานะไปในทางบวก วัน ม, มานะบางทีเราก็ใช้ใช้ในแนวความเพียรในไม่สังกรมใดในใช้ในแนวความเพียร น, นะมานะพยายามมุมานะมุ่งมั่นต่อสู้อะไรแต่จริงๆไม่ได้หมายถึงความเพียร น, นะมันหมายถึงเป็นกินเลสที่นาําทําให้ใจมันพูแล้วก็มีความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางที่คล้ายๆกับเราเนี่ยสําคัญเพราะท่านท่านแสดงอาการก็บอกว่ามีการถือตัวเนี่เป็นลักษณะ คือตัวเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นนะฮะก็เราก็เป็นก็เราเลยแล้วก็มีอันยกสัมมยุทธธรรมขึ้นเป็นกิจคือหมายความว่าไปประลบอะไรละ่ะประลบรูปร่างประลบโคตรประลบสกุลประลบความรู้ประลบปิทิยะฐานะประลบฐานันดรประลบตำแหน่งอะไรต่อะไ ร, ะไรต่างๆอย่างที่ดเตอร์คนหนึ่งที่เป็น ผู้ดำเนินรายการตามาแกนทำเนี่ยเราจะเห็นว่าคือคือแค่ แ, คแกเก่งอยู่คนเดียวในโลกอะ่ะฟังกันเถอะทุกคราวเราจะเห็นอย่างนั้นเลยชี้หน้าคนอื่นแล้วก็กคือคือก็ขู่นะคำรามไปเลยแล้วก็พูดหาเรื่องด่ากระทบคนนั้นด่ากระทบคนนี้ด่ากระทบคนนั้นเป็นคนแปลกะนะฮะแล้วมันจะเริญเติบโตอย่ได้ยังงงเลยว่าเอ๊สังคมเนี่ยทำไมไปยกย่องคนอย่างนี้เกิดมาได้นะกาให้มีหน้ามีตาเป็นหนึ่งสววะนะฮะ เป็นเรื่องที่ที่ที่ที่น่าสังเกตโดยจะเห็นว่าอาการมานะของเขานี่ไม่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะรู้สึกจะเป็นด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์เก่งหมดทุกเรื่องไงฮะแล้วโดยเฉพาะกับพระนี่ต้องหาเรื่องด่าจนได้ทุกงานเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะต้องหาเรื่องด่าพระนจนได้แล้วก็ดา่าบางทีพระผู้ใหญ่นะฮะด่าระดับระดับอง ค, องค์กรสูงทีเดียวนี่คนแสดงความรู้สึกต่อคนนี้มากในระยะนี้ วันก่อนเนี่เอาพระไปขึ้นเขียงคือเอาไปร่วม อ, ออกรายการแต่ว่าไปตัดต่อนะฮะพระนั่งเป็นซื่อบื้อเลยคือมันมันไม่เอาออกอะ่ะไม่ออกให้เพราะฉะนั้นจริงๆสื่อพวกนี้อาจจะอันตรายมากคือถ้าพูดแล้วเนี่ยมันไม่ตลอดเรื่องเนี่ยอันตรายคือเรื่องบอนเรื่องเนี่ยมัน เขาไปสรุปเอาไม่ได้อะนะยวันก่อนไปเขาสัมภาษณ์เรื่องพิษนีเนี่ยแม่อธิบายกันแล้วอธิบายกันอีกบอกว่าที่พระไม่ทำให้พระไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่ใช่ไม่บวชให้มันไม่มีสิทธิที่จะบวชให้เหนูเด็กอายุตาำกว่าสิแปดปีเนี่ยไม่มีสิทธิที่จะเลือกตั้งมันไม่ใช่ไม่เลือกตั้งมันแยกประเด็นได้ออกสิ ต้อธิบายกันตั้งนานนะกว่าจะเข้าใจยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยกันมามากมายกายกองยเกิความเข้าใจแล้วก็มีความปรากฏหุดทงทงนี่มันพริ้วไหวอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะอาการที่แสดงเนี่ยอาการยืดอาการประยองลํำพองเนะ่ยบางทีเราก็ไม่เคยรู้สึกตัวรลยไม่เคยรู้สึกตัวเช่นเช่นสมมติว่าเรานั่งรถราคาแพงๆเนะี่ยปัญหาสําคัญอะไเวลาเราเห็นคนเดินถนนเนี่ยมันมีความรู้สึก อันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะะคือบางทีเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะจะมีเป็นรถตู้นะแล้วก็นั่งไม่ค่อยสบายแต่อะไรแต่มันนึกถึงว่าเออว่าถ้าไปเจอเพื่อนสักสี่ห้าคนเนี่ยเรารับเข้ามาได้เยอะเพระอสักสี่ห้าคนหรือว่าเจอเด็กก็อะไรแต่อะไรเนี่ยริมถนนฝนตกเด็กก็เดินจะไปกลับบ้าน เ, าเราก็แวะรับเข้ามาได้ แ, แต่อะไรเนี่ยนะก็ยังก็ยังนึกว่า มันเป็นเป็นโอกาสที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็เป็นที่อาศัยของเพื่อนได้เรามองไอ้รถเกง๋งรถอะไรอะไรเอ๊แล้วถ้าสมมดว่าเราเจอคนสักห้าคนทำไงเราก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็จะไม่ช่วยเลยก็ไม่ได้เพราะเอามาช่วยบางคนก็น่าเกลียดดีแล้วนี่มันมั น, ม, นมันทำยังไงวะให้คิดเผื่อคิดเผื่ อ, อออกไป แล้วก็อาการกระด้างอาการหลุดทงที่พิวไหวอยู่ข้างบนมันก็จะลดลงไปมีโลภะคือความโลภความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกันนะอยากไดคกามยกย่องว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นะถ้าใครไม่ยกย่องก็จะเกิดความไม่พอใจนะท่านจิงบอกว่าพวกมานะเหล่านี้บางอย่างเนี่ย ที่หยากหยาบจะนำปนไปสู่อบายได้นะนําไปเหศไปสู่อบายได้เพราะงั้นท่านท่านเรียงมาหน้าที่ที่อยากเนี่ยความกระด้างที่อยาบจะนําไปสู่อบายได้อย่างมีท่านผู้นหนึง่งท่านเดินสวนวัปเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทมน้ําลายเนี่ยทมน้ำลายใส่ข้างหน้าไม่ใช่ใส่หน้าหรอกใส่ข้างหน้าเป็แสดงการดูหมินม่นเนี่ยดูหมิ่นวปัปเจกับพะพุทธเจ้าแต่พอสลายก็ตายตายก็ไปก็ตกนรก ท่านอธิบายขยายมานะออกไปเป็นเป็นอันมากนะจนเรียกว่าเป็นมานะที่ปะโศดาบรรละได้มานะที่ละเอียดเนี่ยท่านเรียกว่ายาถาวะมานะคือพระหันตอนั้นละได้พวกนี้เป็นเป็นยาถาวะมานะก็บางคนเนี่ยมานะแรงๆเนี่ยราตกรตาจารย์ท่านว่าเหมือนคนบ้านนะ เปบ้าก็ทาอะไรพิลึกพิลึกพิกนคล้ายๆกันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโ น, น้นแม้แต่จะกินน้ำดื่มนะสมมติว่าเขาเาน้ำดื่มเป็นขวดมาให้กินเนี่ยไม่กินไม่สมศักดิ์ศรีต้องผสมกีมาต้องมีฝาครอบต้องมีอะไระอะไรโอ้ยรุงรังคือเรามองดูว่าเมืองไทยเราเนี่ยอะไรตรงนี้มรุงรังมากันเนี่ย เครื่องใช้เครื่องต้นรับต้องอย่างนั้นต้องชุดหรือคนนั้นต้องอย่างนั้นคนนี้ต้องอย่างนี้นะแม้แต่ในแวดวงของพระเองเนี่ยบางชี้ระดับสูงๆเนี่ยต้องขนเครื่องเหล่านี้ไปอย่าลืกว่ามันก็หนักนะมันเป็นภาระที่ต้องแบกต้องหามเพราะแนวของมานะเนี่ยมันจะทําให้หนักแล้วก็แบกก็หามแล้วก็เกรงหาความสงบไม่ได้เพราะามันเทามานะใช่ปะ นะอย่าให้กระด้างเกินไปอย่าแข็งเก้าเกินไปแล้ฟังก็ดืนบ้างนะให้คนอื่นฟังความคิดความเห็นของตนเองบ้างต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อทิฏยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี